สนิดที่สองก็กลัวจะมีว่แววให้คนเรยรู้จักเวลาทำก็แอบทำนอบทำ น, น่าจะเบื้องต้นทำแล้วก็ไม่อยากบอกให้ใครทราบหรอกปิ ด, ปดมิดหนห่ือนของไม่ดีนั่นแหละคิดว่าดีได้ไงทำชั่วได้ดียังไงมันไม่ดีก็ปิดคนเราเป็นแผเวกว่าจนหน้าแข้ง่างที่ลองดูดเอาภาพพันธว้ อย่างมาทำบุญ ท, ท, ทานนีม่มีใครประกาศโฆษนาก็มีคนไปมากมายเาสดงยิ่งดีใจย่อมเหน่ยวคลองดีไหมนะเจ้าประชามชั่วทําดีได้ชั่วไหมันก็ดีนี่แหละใครมาก็ดีใจดีบวกินใจก็แต่มันก็ดีเขาเข้าใจเพียงขึ้นตื้นเพียงว่าได้วัตถุสิ่งของมารุ่มรวยเขานิบมีหน้ามีเจ็ดรติเขาไม่คิดถึงเลือดผมชั่วภายในนี่ความชั่วที่ไม่อยู่ภายในมรรคของภายมันนําเราไปในภบอื่นชาติใด ติดตามไปเวลามาได้รับกรรมแล้วไม่พอใจทําไงล่ะครับเราทำยังทําด้วยทําดความพอใจที่เวลากรรมชั่วติดตามแล้วไม่พอใจนี่เขาจะไปรักใครหรอขอโทษนะผมอยากให้คุณเข้าใจให้ครับเข้าใจมันจะอาจารย์พูดนี่ยความชั่วดีมีตรงแทน แค่ตอนที่จชร์ยาแต่ว่าทานชั่วแล้วผลกรรมมันจะตามแต่ว่ามีสภาพปอิบ่างนี้เขาพี่เห็นก็เห็นที่กระจายคือใว่าคนมัจะมค่อยเชื่อเพราะนั่นว่ามนเป็นวมจรอะมรอย่างนี้ได้อย่างสภาพที่พีเเห็นเหมือนอย่างว่าคนที่ทาชั่วด้วยการใช้ยาป็นสิ่งนี้แล้วสุดท้ายคนชั่วนั้นมันําองติดตั้งากดมามันตัวเองให่แย่นขาติดใหญ่แ นี <optimistic> you. ่เห็นนี่เงี้ยจะมาทำช่วยเดี๋ยงไงแล้ไม่เห็นดีสักอย่างเลยทั้งหมดดังนั้นเดี๋ยวก็ตดีได้ไงทำช่วยได้ดีได้ดีได้ไงแต่เราไม่ยับยั้งจะใครจะไปยบยั้งใครไม่มีทางกฎหมายบ้านเมืองก็อยู่ตำรวจทหารมาเล้ต่างเขาก็ป้อนกันช่วยทุกดาตุทแต่เราไม่ยับยั้งเราไม่ดี ยี่วะทำช่วได้ดียัยงไงมันก็มีเส่เรียวไปจังหวะนั้นใครจะป้องกันป้องกันก็ไม่ไหวมันเรียวไปทุกทียี่วะทำั่วยได้ดีมันไม่ถูกหรอกอันนี้เป็นเป็นความเข้าใจผิดที่ว่าเข้าใจอย่างนี้มากแล้วคนโดดล่มหนีงานกลับได้เงินเดือนขึ้นกับงาน้างัน ถามจ่วยได้ผิดว่าแล้วเข้าใจตรงนั้นหรอเข้าใจผิดหรือเขาโกงเพราะรับชั่นงกับได้มีเงินรวยไป็ล้านล้านเพราะความโคงของเขาไปเอาความมั่นคั่งโลเป็นม า, ษ า, ษาตรฐานวัดไม่ได้ความดีความเชื่อแล้ว เ, เ, เห็นดีๆน่ะเรากโกมเขาเรากกงการโกงงานแล้วก็เห็นว่าเราโกงไไม่ด้ดีๆนะแต่ว่าเราไม่ดีเลยเราเห็นเร า, าเราไม่ดีดีเนะ่ย อยไปเชื่อคนอื่นไปเชื่อตอนเองะทำว่าต้องเชื่อตอนเองคํำตอบของเราเชื่อเดียวตอนเองละเดีตนเองการท่าไม่เชื่ อ, องนี้เดียตนเองนี้เรากรรมนั้นหากว่ายังมีผลที่จะติดตามอยู่ในชาติหน้าแล้วก็จะต้องได้รับเหมือนกันในชาตินี้คือเราเห็นว่าเราไม่ดีแล้วก็ร้อนใจเราอยู่ในตัวกรรมหน้าชาติหน้าหากว่ายังมีนรกสวรรค์หรือยังมีกรรมที่จะตามท่านนี้ไม่แต่ร่อนเหมือนกับเราอยู่เดี่ยวนี้แหละ <c oughs> คนเข้าใจกันมา ก, มากลเลเ ข, ข้าใจอย่งมากเข้าใจเองแค่เอาวัดปุกมาเป็นเครื่อนวัดความดีคอนมชั่วไม่ถูกคนแตงงน่ะผิดคนแต่งของหมดเนี่ยมันวิทยาที่ผิดอ <c oughs> ของวันนี้เนี่ยเราคิดพิจารณาดูสมบัติพระัดฐานเข้าของเงินทองแม่แต่อาถรรพ์ชีวิตของเรามันก็ตามเร า, ปาไปในใด เวลาเรตายเราไปคนเดียวด้วยใจต่างหากก็ได้ไปรวบรวมไปที่ใจเดะหมาอย่างอธิบายพระมาเปียกเหมือนกับมะม่วงเนี่ยมะม่วงแต่ละลูกแลต่ละลูกแ่ละลูกนี้มันไปเก็บมันไปเก็บรากเก็บต้นเก็บผลเก็ บ, บใบไว้ในนมดเม็ดเดียวนั้นหมดเม็ดมะม่วงที่แก่แล้วไม่มีใครรู้หรอกเวลาเราพวกเราห่อไปจะไปที่ไหนก็ตามเดือ แล้ไปถูกดินถูกน้ํำพลังแตกเข้ามานะ่ะมันจะต้องกินรากกินใบออกมาแล้วเจ้าก็เป็นต้นแต่น้ำเท่าเก่าอืการของคนเร า, าติดเกี่ยวไปที่กายที่ใจที่แรกเราพร้อมกันทำในล่ะนี้กายกับใจพร้อมกันทำร่วมกันทำเมด่อเวลาตีคุกตีตารางทุกพร้อมกันใก่อนในเวลานี้บางครัง้งบางคราวนั่นในเวลาที่ตีคุกตีตารางเ เขาถูกแปบป้บามหมายโดยตจะต้องบบรับบาปรับกรรมพร้อมกันเวลาที่มันหมดธุระภาระคือกายนี่แตกดับไปแล้วมันไม่รับรู้แล้วสานี่ใจเป็นคนรับรู้ก่อนเดี๋ยวตรงนั้นนะแต่ว่ามันเอาไปเอาเม็ดนั้นเม็ดนันมัมมันเอาหมดทั้งสิ่งทุกอย่างออกไปเพาะใหม่มันจะเกิดกิจข้างห น, น้า ใค ร, ร, รเราเอาไผเใครจะให้เอาไผ่ไม่มีคนไี่เราทําเองเราทำนั่นแหละเพราะเราลึกถึงความผิดเพราะความผิดนั่นแหละจึงว่ามันเป็นเศดในคำทำให้ตกนรกเพราะเราทําผิดนั่นความผิดนั้นมนันติดอยู่กับใจไม่มีใครจะแก้ปลดเปลืองให้ได้เมื่อทำลงไปแล้วมันติดอยู่ที่ใจมันไปรวมวที่ใจอย่คือว่านี่แหละ เนั้นยังวาไปตกนโกหรือไปสวรรค์ท่านเกินสวรรค์ท่านฟังก็เพราะเหตุที่มันแก้ไม่ได้ตรงนั้นเองมันไม่มีวันถาจะแก้แต่ถ้าเาคทความผิดมาแต่ว่ า, เานเาที่เ า, าไปเากความผิดเาับได้ไปันนั้ก็มีเป็นบางสรัางบางคราวกรรมดีกรรมชั่วว่ามาเปลี่ยนมันสุนัขไล่เนื้อถ้าผีเท่าตัวไหนสองสุนัขสองตัวไล่เนื้อถ้าตัวไหนผีเท่ามันดีตรงนั้นมันจะต้องพันขัด ก, ก่อน ตัวที่หลังเลยที่เท่าไม่ดีต้องตามที่ถังท่านพุทธมาเสียไปยงั้นกรรมไหนท่านหนักทําด้วยเจตนารุนแรงกรรมนั้นจะต้องมาตามท่านก่อนมันค้นได้ในระยะคือว่ามันให้ผลไม่มันให้ผลคนละอย่างคนละขัน้นคนละราวกัน ถ้าความดีนะั่นตามมาให้ผลก่อนความช่วยไม่ที่หลักมันไม่หายไปไหนแต่กรรมที่ทำไปแล้วนะมันตามนี่นั่นแหละ <c oughs> อย่างเราเห็นใน ช, ชัดๆนี่หละ <c oughs> บางคนอนะ่ะแล้วเกิดมาเกิดในกองเงินกองทองดมสมบูุนนี่ล้วเกิดมาเดี๋ย <c oughs> เวลาตอนท่าตอนน้ำสาลที่สุดทุกจนลำบากกากกรรมเลือเจ็บไข้ไม่สบายทุกทรมารและกรรมทุกประการมันกรรมตามทันมา มันให้ผลค น, คนละครละคราวที่เราทำไปแล้วไม่หายจะไงเดีย๋ยวเรามาแก้จะในเบื้องต้นถ้าสอนให้แก้จะเบื้องต้นจะครั้งแรกนี่แหละรู้ตัวแล้วแก้จะแต่ป่านนี้ ทิ้งในหน้าที่รับผิดชอบมาทำบุญมาห้แสดงพาบุญบุญเนึ่งกับเป็นบุญนั่นหนึ่งบาปแลยังเป็นบาปอยู่นั่นตันนั่นก็ผิดแล้นึ่งก็เป็นผิดที่ดีๆแล้วก็รู้อีกจักว่าผิดอยู่แล้วไม่มาชาว่าบใครจะเป็นท้าสินได้แล้วก็ท้าสินตัวเด็ทิ้งมาแสงห้าบุญนี่มันก็ไม่ทิ้งเลยมันบาปแล้วรู้ตัวอยู่ดีๆ แล้วเราหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเวลรราล่นหนีเราทิ้งอะไนี่มันไม่หายเร้อมันรู้ตัวอยู่ดิมีกระเทือนใจตจลอดเวลาเนี่ยนั่นหละคือป่าอาอันนี้อาจจะหมายถึงอย่างนี้ครัคือว่ามีเช่นท่านบวชมีบวชออกมาจากเรือนมาติ้งลูกติ้งเมีออกมาไม่ ไ, มได้รับผิดชอต่อลูกเนียต่อครอบครัวอย่างนี้จะจะเป็นอย่างไรผมก็ใจว่าความหมายของคำถามอันนี้ว่าไงว่าไยหมายความว่าคือ ไม่ไม่ไม hey, okay, okay. okay, okay, okay, so so ่ไ so ม so like, hmm. ่ไม่ดำรงอยู่ในฐานะเดิมคือแต่เดิมเป็นคนหน้าครอบครัวต้องรับผิดชอบลูกเมียเยี้งบุตรคุณญาติอยู่แต่ต่อมาก็ออกมาบวชไปมาหาแรงทาอังหาบุญเหตยที่ว่าอืมคือก็ไม่ไม่ได้รับผิดชอบเรื่องลูกเรื่องเมียคงเข้าใจว่าคำถามเมื่อกี้เป็นอย่างนี้เพราะว่เป็นอย่างไรเป็นผลอย่างไรหน้ามันก็ไม่ดีเหมือนกันนะอย่างว่านี่แหละ มันก็ไม่ดีเป็นอรารมณ์อวบนี่นั่นอ่ะอาตมาจึงไม่ยอมให้คนบวชง่ายๆแต่พาะอย่างเงี้ะใครมีครอบครัวแล้วไม่ยอมบวชให้ง่ายหรอกต้องมาฟึกฝนอารมณ์ดูใหมก่อนบางทีทั้งสามเดือนสเดือนทั้งปีก็มีก็เพราะเหตุอย่างเงี้เองแต่ว่าถ้าหากว่าใจของเราเด็ดเดี่ยวทะรัจริงๆยังจังแล้วกรรมมันนั่นก็ไม่มีหรอกที่จะให้เป็นกรรมก็ไม่มี้ะพระพุทธเจ้าเปลีนมาแล้ว ท่านโยธาคุณแล้บุดกาแฟมาแล้วทิ้งบ้านทิ้งเมืองทิ้งลูกทิ้งเมียก็ทิ้ง ม, มาแล้วได้สำเร็จมาผลนิพพานเหมือนกันท่านเด็ดเดี่ยวสละกันเคมีตัวอย่างมาแล้วในผลที่สุดที่สละมาแล้วพูดที่เป็นทุกข์เดือดร้อนก็พลอยได้ดีด้วยดังพระรางหุ่น ก, น, น, นก็เลยมาบวชนางพิพาสุธาราเลยมาบวชขระเจ้าทศต้นก็เลได้ดีไปดีขึ้นมาอืมทําดีแล้วก็เลยเป็นข้องดีขึ้นมาเปนเรื่องของโลกมันเป็น ง, งั้น คำถาว่าเราจะละโลกเด็ดดาดเด็ดขาดจริงจริงจังแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องโลกมันเข้าไปได้อีกได้เหมือนกันเนี่ยแต่นี่เราไม่ถึงขันนน้นเรื่องในตัวเรื่องมันนะ <c oughs> มีการลาบากทุกคนไม่งนียน่ย เออนั่นน่ะสิทันท่าเด็ดเดียวจริงๆจังลาดทิ้งเราไปห่วงกังวลมันก็ไปได้ไม่ได้เป็นบาปหรอกของมันนั่นก็ดีถึงแม้ทันเดือดร้อนมันก็เรื่องของของวัฏวักะคือเราทิ้งวัตตะกเราจะเป็นห่วงวัฏจักรให้วัตตะนี่ทั้งหมดดีหมดแล้วเราจงออกมันก็ไม่มีวันออกเหมือนกันนะ ไปหมดเลยคืออกวยกันก็ไม่ไหว เสมอแต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะต้องทำให้ได้ไม่มีจีบไม่มีขอบเขตไม่มีการจีบกันจะทํำอะไรได้หมดมีสิทธทุกอย่างแต่ว่าจะให้เสมอกันไม่ได้เหมือนกับโรงเรียนที่เราจะมีสิทธิ์ที่จะต้องเรียนได้แต่ของรูกไม่เหมือนกันความรู้คนละชั้นเดียวกันไม่เหมือนกันเราเราจะรักษาชิ้นห่างรักษาได้เหมือนกันรักษาชิ้นแสได้เหมือนกันภาวนาได้เหมือนกันมีสิทธิ์ทุกคนทํำได้ แต่ว่าจะได้ขนาดไหนจะมั่นคงขนาดไหนไปอีกเรื่องหนึ่งอืมมีแค่การเกษตรตัวของเรานั่นแหละเราไม่ยอม ไม่ได้เจ้าท่านสอนคนทุกไม่ได้สอนคนสุขคนทุกนั่นแหละยังให้หาวบายแก้ทุกด้วยการสละด้วยการลงปัจจุบันถ้าไม่ทุกพระองค์ก็ไม่มาตรสรู้ไม่มาสอนคนสอนให้คนละทุกคือให้รู้จักพักพ่อนให้รู้จักกำจัดทุกขคือให้รู้จักปล่อยวางทุกถึงไม่ได้ปล่อยหมดก็ให้ปล่อยปัจจุบันให้เห็นความสุขในการปล่อยในการวาง เราจะไปคิดระทุกข์แล้วทำไม่ได้หรือยุ่งแล้วทำไม่ได้อันนี้ไม่ถูกไม่ถูกพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าประสงค์แก้ทุกคนที่คนมีทุกข์นั่นเองเดี๋ยวคนเดิมา่เ น, นี่ยให้สบายไว้ก่อนนี่ก็ทาไม่ถูก <c oughs> อย่างหมอเนะี่ยรักษาคนไข้ไม่ได้รักษาคนดีดิคนไม่ไข้ก็ไม่ให้กินตัวยาใช้ไดย้ยา <c oughs> คนไข้ก็ยังไปให้ยากินพระพุทธเจ้าสอนนะคือสอนคนที่ไข้ที่ที่ป่วยอย่างเองโรคภายในคือโรคใจใช้ยาทําโอสดวางยาธรรมโอสถ <c oughs> สว่ใ่ัลนรกสวรรค์อยู่ในใจตอนที่เรายังไม่รู้แล้วแล้วเมอตอีตอนนี้ว่าถ้ารูว่านายแล้วก็มีใครอยู่นกเพราะว่ามันจะเกิดใหมุ่แล้วก็พบนรกในชวิตที่เกิด้ายยมันต้มาพูดแล้วไม่เช่านี่เคยพูดยังไม่ว่าภาพปรากฏเกิดขึ้นที่ใจของตนนรกสวรรค์ถ้าเราทาชั่วมันมีอย่างนี้คนเรา เมื่อเราจะตายก่อนจะตายนะั้นมันมีกรรมนิมิตคตินิมิตเป็นเครื่องหักกรรมนิมิตหมายความถึงการที่เราทําดีทาชั่วในเวลาที่เราไม่รู้สึกตัวนี่แหละเมื่อเราหายความรู้สึกเมดคนเราถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ตราใดแล้วในเวลานั้นยังไม่ทันดับผู้ที่ท่านรู้สึกท่านหายสติเต็มที่แล้วนั่นแหละท่านดับเต็มบริสุทธิ คนเราธรรมดาสามัญเมื่อมีสติอยู่ขณะที่มีสติรูดตัวอยู่ไม่ไม่ตายหมดสก่อนหมดความรู้สึกแล้วค่อยตายในขณะที่หมดความรู้สึกเนี่แหละจะต้องมีนิมิตเว่กรรมนิมิตเช่นเราเคยฆ่าตัดข้างหัว่าควายเล้วทำทารุณกรรมด้วยประการต่างๆ จะปรากฏกรรมระนนาดของที่เราทํานิดจะปรากฏเป็นของไหน่โตฐานเป็นเหตุนักเกิดความหวาดกลัววิตกเดือดร้อนภายในใจขึ้นมากรรมมาที่เราทําะ น, น, นั่นเรียกแสดงฐานนิดคตินิมิตที่เราจะต้องไปสู่ในสถานทีุ่ระกันดานลน้เดือดร้อนตุ้มออกคุ้มใจที่ท่านสแสดงแบบเห็นไฟนรกเห็นเปลวไ ฟ, น ร, น, ไฟไนรกแล้เห็นคน เขาทรมานอย่างจังอยู่ที่บรมพ <c oughs> ิบานอะไรทรมานสตัดทรมานกรรมมันเป็นภาพพิพากจัดใจมาแล้วเราจะต้องไปเป็นอย่างนั้นมันเดือดร้อนกุ้มใจอย่างนั้นไม่ใช่จะเป็นสถานอี ก, ส ถ, อกสถานหนึ่ ง, งนั้นที่ท่านเขียนท่านอธิบายอธิบายตามภาพอนี้แหละท่านเขียนอย่างเป็นปุคคลาทิฐานเต็มไปลามันเป็นมันเป็นข้องใจของใครก็มันเมืเ่อเกิดฉันดีใจ กา ร, รนี้มีขันธ์นิดเป็นเครื่องนำสัตว์ให้ไปเกิดในสุคติและสุกคติว <c oughs> ันนี้ไม่มีใครถามไลยไม่มีใครแสงไลยนั่นเป็นดีกว่าดานดีใน <c oughs> นั้นเราพากันทําดีนี่สร้างสมงควรดีนี่ไว้ <c oughs> เพื่อมาคร่องตัวถ้ามันเป็นนิสัยามันเป็นอุปนิสัย <c oughs> ไม่ใช่ว่าเาตายเรื่องจะทำเพื่อให้คนอื่นทําให้ตายหรอก ไม่ได้แบบนั้นไ <c oughs> น้ธรรมะมันแสดงไว้หลายแง่หลายมุมท่านพูดเป็นบุคลาธิฐานจะมีธทรมะธิฐานเในเวลาเราปฏิบัตินี่ยมันไปรู้เรื่องขางหราเอ่ปฏิบัติเข้าไปถิงเท่านั้นยังค่อยพูดกันรู้เรื่องอย่างบางคนที่ทำกรรมทคาคกมุวยอดยประการาต่าง เคยไม่เคยฆ่าปลาหรือสัดหัวปลาเงี้ยก็ดีในเวลาที่เราพ่อนาเห็นชักเลยทำร้านซักหัวปลาอยู่เลย